บัดนี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องการปรับใจบื้อาศัยศรัทธากับอาศัายปัญญาเป็นหลักในการวินิจฉัยตัดสินตลอดถึงลดละบันเทาความรู้สึกประเภท ที่เป็นกลุ่มของกิเลสโมหะคือความหลงมาโดยลำดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสักกายทิฐิคือความเห็นเป็นเหตุตือตัวถือตนถือเราถือเขาหรือเป็นเราเป็นเขาระดับใดที่ยังไม่บรรลุอริยผลบุคคลก็ต้องอาศัยธรรมะทั้งสองประการเป็นหลักในบางกรณีเราก็ใช้สัทธาเป็นหลักเพราะปัญญาไม่มากพอที่จะยังรู้ได้ บางกรณีที่ปัญญามากพอมันก็ใช้ได้ทั้งศรัทธาและปัญญาบางกรณีก็ใช้ปัญญาเป็นหลักได้ไปเลยแต่ตามปกติแล้วศรัทธากับปัญญาก็ต้องอิงอาศัยกันจะเรียกว่ามีความสม่ำเสมอกันตามระยะที่ทรงอธิบายหรืออินทรีย์เอาไว้ คือสตินรีอินรีคือส ธ, ธากับปัญญินสีอินรีคือปัญญานั้นจะต้องสม่ำเสมอกันคุณสมบัติของธรรมะทั้งสองประการนี้ที่เริ่มมั่นคงจริงๆก็ตั้งแต่เป็นประสดาบันขึ้นไปที่เรียกว่าไม่สามารถจะถูกโยกคลอนให้เกิดความหวั่นไหวด้วยวิธีใดก็ตามมันอยู่ระดับนั้น แต่ถ้าเป็นสามัญชนแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็แขว่งจะได้ที่อาจจะถูกคมขูคุก ค, ค, คามด้วยความตาย อ, อาจจะล่อดดยผลประโยชน์ต่างๆหรืออาจจะใช้วิธีการปลุกราวจากกลุ่มบุคคลทั้งหลายเป็นการนำเสนอในแง่มุมเราอื่นซึ่งเบี่ยงเบนเออกไปจากเรื่อง ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้คนเราก็เกิดความสับสนได้เป็นในน่าสังเกตในปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้ได้พบข่าวที่น่าสนใจอยู่ประการหนึ่งในวงการโฆษณาเขาบอกว่ากิจกรรมโฆษณาพระเครื่องกับใบหวยและวัาถุวัตถุมงคลเสกสักการะทั้งหลาย มีตัวเลขถึงพันห้าพันห้าร้อยล้านบาทซึ่งแสดงว่ากิจกรรมที่มีการลงทุนขนาดนี้เฉพาะโฆษณาอย่างเดียวขนาดนี้จะต้องมีการลงทุนมากมายจะได้ผลประโยชน์มากมายก็มองกลับไปถึงที่ไปที่มาเราจะพบว่าแล้วเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในแนวที่เราเรียกว่าศีลปะตะปราบมาก คือไปยึดมั่นถือมั่นในแนวปักใจฝังใจลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออาจจะหลายๆเรื่องแต่ก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะประสิทธิ์ประสานสิ่งดีงามให้แก่ตนเองในความคิดเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นอาการของโมฆะหากว่าโดยจับหลักโดยใช้ศรัทธาต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า อยากย็ยกตัวอย่างเอาไว้เป็นนั้นมากเช่นพรเจ้าเสด็จไปที่เรมริเ ม, มานามพะกาเขาพบนักบวชนอกาศาสนากำลังอาบน้ำชำระร่างกายเพื่อล้างบาปกันดูพรเจ้ารับสั่งถามว่าอาบน้ำทำไมก็บอกท่านตอนนั้นบอกว่าล้างบาปล้างบาปแล้วเป็นยังไงบาปมันก็จะหมดไปหมดไปแล้วเป็นยังไง ตัวเองก็ตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ถึงก็แสดงว่าบาปที่บุคคลทํานั้นตามความเชื่อถือของพวกเขาก็ล้างได้ด้วยน้ําถึงก็ต้องหมายรวมไปว่าทุกชีวิตที่ลงไปอาบน้าในแม่น้ํานั้นมันก็ต้องไม่มีบาปเพราะชํราระล้างไปหมดแล้วและเมื่อการชาระล้างเป็นเหตุให้หมดบาปแล้วบังเกิดในสวรรค์ก็แสดงว่าทุกชีวิต ที่ไปถอะทบน้ำเหล่านั้นก็ต้องปังนเกิดในสวรรค์แล้วก็ต้องมีปัญหาหคิดต่อไปว่าบรรดาสัตว์น้ำทุกชนิดที่เกิดเจริญเติบโตแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตายไปในน้ำ น, นีำ่ก็คงก็ต้องไม่มีบาปเมื่อไม่มีบาปแล้วก็ต้องไปสวรรค์ได้ทั้งหมดดังนั้นความคิดเห็นเหล่านี้จึงร้ายเหตุผล หาข้อยุติไม่ได้ปัทาะล้างกันได้อย่างนั้นแล้วโอกาสที่สัตว์เดรัจฉานจะเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเทพติดามันก็มากกว่ามนุษย์ซึ่ ง, งในแง่ความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากรรมก็คือเจตนาที่บุคคลกระทํานั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลแต่สัตว์เดรัจฉานนั้นก็เรียกว่าไรเดีงสาคือเป็นอภพภสัตว์ ที่ไม่สามารถจะบรรลุผลสูงสุดในทางศาสนาได้เนื่องจากภูมิสติปัญญาของเธอไม่มากพอที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษ้ะมาลงมือประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นบุญอดเว้นในส่วนที่เป็นคุณตาเดชา น, นก็มีพฤติกรรมแบบสัตว์ตาเดอานเดี๋ยวคราวหนึ่งมีลักษณะการบวงสูงกับตีต้นทายแห่งหนึ่ง โดยประรอกกันว่าต้สตนสายตัวนั้นมีเทวดาศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่มาจนบริษัทได้จับพระราชามาเพื่อฆ่าบงสวงเทวดาเหล่านั้นปนัญหาใหญ่คงก็เกิดขึ้นเรจะทําไงจึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นได้เพราะมันเรื่องของความเชื่อมั่นถือมัน่น ที่เข้าใจว่าความสวัสดีคนตนนั้นเกิดขึ้นจากการบวงสรวงเทวดาไว้ที่ตนใส่แต่การบวงสรวงนั้นก็บอกว่าจะติดสินบนด้วยการเอาชีวิตกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดผเมืองมาฆ่าบูชาถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้มันก็ทํางานไม่ได้พระเจ้าสุตโสมก็ได้มาแสดงให้เห็นว่าเทวดานี้ไม่มีเดชานุภาพอะไร แต่ ม, มองไปที่กิ่งของต้นไทรซึ่งถือว่าเทวดาสิ่งทิ่ติดอยู่ก็มีฟ้าผ่าแล้วก็หักลงมาแล้วก็มีกาวฝากแล้วก็มีรอยคนตัด แ, ตแสดงว่าเทวดานั้นไม่สามารถจะรักกิ่งรักษากิ่งตัวเองให้รอดพ้นจากฟ้าผ่าได้ไม่สามารถรักษากิ่งตัวเองให้รอดพ้นจากการถูกตัดได้ แต่ไม่สามารถรักษากิ่งตัวเองให้รอดพ้นจากตาฝากได้มองไปที่โคนเองก็มีจอมปลวกขึ้นแล้วก็มีรอยผากอยู่ตามโคนซึ่งแสดงว่าถ้าเทวดามีอนุภาพจริงมันต้องแก้ปัญหาที่ตัวเองให้ได้แล้วกันขนาดต้นไทรทีเป็นวิมานตัวเองอยรักษาไม่ได้นะภาษาอะไรจะไปคุ้มครองรักษาคนได้ขนาดนั้น ในคำพีตันเล่าว่าลูกเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในที่นั้นก็ปรากฏตัวออกมาและยอมรับความจริงบฏิกา r a มาทั้งหมดนั้นถูกต้องจึงหมายความมายังไงหมายความมาตรงนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อถือเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นเอาเองเป็นรูปของศีลับปตปรามาตมันก็กลายเป็นอุปาทานจะเรียกว่าทิฏฐุปาทานหรือถือมั่นโดยทิฐิของตน หรืเมื่อเอาไปปลูกเอาไว้ไม่สามารถตัดได้มันก็กลายเป็นความยึดมั่นหรือบัานที่ไม่อาจจะให้ผ่อนคลายลงไปได้ในโรนี้ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของการเอาไปบวกกันเข้าเองเดิมทีมันไม่ได้บวกกันข้าแต่ว่าใจมันไปบวกกันเข้าซึ่งท่านสาธารณลัทธิจะสังเกตได้ความรู้สึกในแนวนี้ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้น เมายความว่าใจเราเอาไปผูกเอาไว้แล้วจากไปเราตัดตรงนั้นไม่ได้ความผูกพันเหล่านั้นก็ต้องมีอยู่ตามเรื่องขายของกิเลสสายนั้นๆจะเรื่องคนที่รักกันที่จริงมันเริ่มจากไม่รู้จักกันแล้วต่างคนต่างเกิดมาต่างคนต่างอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วต่อมาก็เริ่มรู้จักกันแล้วต่อมาก็รักกันอาจจะผ่านขั้นตอนไปเรื่ อ, อ, อยจนถึงก็แต่งงานเป็นครอบเป็นครัวกัน มีลูกมีเจ้าด้วยกันเรือตาาใดที่ยังมีสายใหญ่ของความรักความผูกพันอยู่ตราตั้งก็จะมีเชื่อใหญ่สายนั้นที่เชื่อมโยงคนทั้งสองเอาไว้ด้วยความเอือ้อตอนด้วความบ่วงใยด้วยความสนิทสนหิหาด้วยความไม่ตกกังวลหรือพยายามป้องกันภัยอันตรายจะเกิดขึ้นแรืตะวันใดวันหนึ่งสายใหญ่มันเกิดเปลี่ยนกลายเป็นโทสัง คนที่เคยรกเคยทะนุถนอมกันกอาจจะทํำลายร่างกันจนมีข่าวรุนแรงว่ามีการฆ่ากันหรือตีถ้าก็รุนแรงจึนไปมากยิ่งกว่านั้นนี้แสดงให้เห็นทั้งว่าการเอาใจเข้าไปผูกไวยสาดใจที่ตัดออกไปไม่ได้ตราบนั้นก็พร้อมที่จะสร้างปัญหาในรูปลักษณ์ต่างๆตามกระแสของกิเลสเดียวนั้นขึ้นมา กิเลสประเภทนี้จึงกลายเป็นอุปาทานที่มีการสะสมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลอันตมมองใกล้ยๆกับเมื่อหลายปีที่แล้วที่บอกว่าคือเราเล่าลือสืบต่อกันมาตกถ่ายท่อตกปลุกฟังความคิดเหล่านี้กันมาตลอดว่ายามใดที่ดาวหางหันเล่โคจรเข้ามาใกล้โลกยามนั้นจะเกิดภัยพิบัตินานาประการเกิดขึ้นในบ้านในเมือง เพาในช่วงตรงนั้นเมื่อดาวหางันเลขกล้เข้ามาความเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะโยนให้เป็นอิทธิพลก็ดาวหางันเลขทั้งหมดเป็นเรื่องของอุปาทานที่เชื่อมโยงไว้ก่อนหน้านั้นพรพอดาวหางันเลขมาแล้วจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยก็โยนให้ดาวหางันเล่ แต่ตรงนี้ถ้าเราใช้ปัญญาเคลนปิปปจารณาวักรก่อนด้านนั้นก่อนที่ดาวหงงางอันเดชโคจอดมาบ้านเมืองเรียบร้อยปกติสุขไม่มีอาชญาการรมไม่มีภัยอันตรายไม่มีสุขสงครามหรือเปล่าก็เปล่าความเหลือได้เหล่านั้นไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสัตว์โลกนั้นอยู่ด้วยการเบียดเบียนประทุษรายกันเราหาความสุขไม่ได้ก็เป็นการเบียดเบียนประทุษรายกันการกระทาทั้งหมดจึงไม่ได้เกี่ยวกับดาวดวงนั้น แต่เป็นกี่ก็จิตที่ตั้งไว้ผิดของบุคคลในโลกนี้ทั้งหและพอดาวหางหันเล่บังเกิดคิดจริงๆคือโกจรดมันกลายโลกจริงๆทีจ่จ ร, จ, รจริงก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเรื่องดีๆมีมากกว่าเรื่องไม่ดีเพียงแต่ว่าเราจะมองเฉพาะเรื่องไม่ดีแล้วก็โยนความไม่ดีเหล่านั้นเอาให้กับดาวหางหันเล่ในสุดมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าบุคคลมองโดยใช้ปัญญาแบบพุทธ ผลตั้งหลายนั้นมันเกิดมาจากเหตุเพราะเราไม่ต้องการผลบางอย่างเราต้องตัดเหตุไม่ใช่สร้างเหตุขึ้นไปแล้วประโยชน์ใ้ดาวแต่ถ้าเราตัดเหตุในกรณีที่ผลนั้นเราไม่ต้องการผลเรานั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ผลอันใดที่เราต้องการเราก็สร้างเหตุขึ้นเมื่อเหตุเหล่านั้นสมบูรณ์ผลมันก็สมบูรณ์เหตุไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์แต่ผลต้องเกิดขึ้นในแต่ละระดับ เพราะฉะิงดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าจะถือว่าเป็นอิทธิพลดาวหางก็ต้องดาวหางทั้งสองอย่างดีดีก็ต้องดาวหางด้วยแล้วไม่ดีก็ต้องดาวหางด้วยเพราะนคนที่ทําดีก็ไม่ควรแก่การยกย่องคนที่ทําชั่วก็ไม่ควรแก่การถูกจับกลุมคุมขั ง, ขงเพราะเป็นเรื่องของดาวบันดาลและในสุดโลกมันจะยุ่งหมดประโยชน์ให้ดาวหมดคนที่ทําดีก็แทนที่จะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีการยกย่องส่งเสริมสนับสนุนกัน ก็เธอไม่ได้ทําเองมันดาวนดนบนดลบรรดานเวียนไปก็จบกันคนทําชั่วก็ไม่ต้องจับคุมกันไม่ต้องข่มขังกันไม่ต้องลงโทษกันก็เธอไม่ได้ทาเองเป็นดาวดุลบรรดานให้เธอทำก็จบเรายังโลกมันจะวิป ร, ริตไปทันทีเราะเป็นการอยู่กันยังไม่มีเหตุผลไม่สามารถจะเชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลผลกับเหตุได้ความเชื่อในลักษณะนี้ จึงกลายเป็นปัญหาเป็นเป็นเป็นอุปทานที่ยึดมั่นหรือมั่นกันไว้แล้วก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาดกันในจุดแต่ละจุดเหล่านี้พวกเครื่องรางของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลา ย, ยาต่างอุป萨นาไม่ถึงกับปฏิเสธไปด้วยประการทั้งปวงแต่ถือว่าไม่เป็นเรื่องของขวัญกาลังใจ โดยการช่วยเหลือดนบันดาลประสิทธิภาระสันั้นแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าย่าขณะดำรงพระชนอยู่เองเพระองค์ก็ช่วยอะไรอย่างนั้นไม่ได้พรงช่วยแค่บอกให้เท่านั้นบนนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทรงชี้ทุกทรงชี้เหตุแห่งทุกทรงชี้ความดับทุกทรงชี้ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับลง แต่เราจะเห็นว่าผลสองผลนั้นผลคือทุกข์ในเราไม่ต้องการผลคือนิโรธใ น, นเราต้องการแต่ผลเหล่านั้นมันเกิดมาจากเหตุตัวเหตุเองพระพุทธเจ้าบันดาลให้ไม่ได้พระเจ้าปลูกเสกเป่ากระห ม, ม่อมให้คนเกิดศักดิ์สิทธิ์มีทุกข์หายทุกข์ไปเลยเนี่ยไม่ได้มันอาจจะมีความสุขใจสบายใจในระดับหนึ่งนะก็ทําได้แต่ว่าต้องเป็นบางกรณีไม่ใช่ว่าทุกกรณี เออเงื่อนไขต่าง ๆ, ๆที่เข้ามาประกอบน้อก็มีอยู่มากดังนั้นในหลักเมื่อพูดถึงปัญหาคือทุกพระเจ้าก็ทรงแสดงสาเหตุไม่สืบสาวไปถึงเหตุแล้ทุกมันเกิดแก่ใครมันก็เกิดแก่เราก็แสดงว่าเหตุมันก็มาจากเราใครเป็นตัวสวยทุกเป็นกลัวเป็นตัวรู้ทุกเหล่านั้นจิตเป็นตัวสวยทุกเป็นตัวรู้ทุกเพราะงั้นเหตุมันต้องเกิดอยู่ที่จิตเพระสมุทัยมันก็อยู่จิตจิต ทุกจิตเป็นตัวเสวยแม้จะปรากฏที่กายที่อะไรก็ตามนะเจอจิตเป็นตัวเสวยเพราะถ้าหากว่าไม่มีจิ ต, ตทุกที่เกิดมันก็ทำอะไรไม่ได้แค่คนที่ตายไปแล้วก็ทำอะไรก็หักแค้งหักขาจับยัดใส่กอดก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าใจมันไม่มีแล้วในขนาดนั้นปัญหาใหญ่มมนจึงอยู่ที่ใจทุกคนก็อยู่ที่ใจสมุทยัยก็อยู่ที่ใจนิโรธมันก็อยู่ที่ใจซึ่งไม่มีทุก สมุทัยลดลงไปก็อยู่ที่ใจซึ่งมีมารังเกิดขึ้นกระบวนการอุปานามก็เป็นอย่างนี้เพรงจสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าไปยึดมั่นหรือมั่นไปยึดติดอยู่ในแนวนั้นในจุดหนึ่งก็คงจะได้ระดับฝันกับวังใจอย่างที่ว่าแต่นอนุสติต้องใช้ในแนวของการน้อมระลึก ความเป็นมาของเครื่องรางของครั้งเหล่านี้ที่จริงถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์แล้วมันเป็นความจําเป็นในแง่ของสังคมเพราะสมัยพุทธการจริงๆหลังพุทธการจริงๆคือ ส, สมายพุทธการก็มีหลวพ่อพระเจ้าอยู่แล้วมีพระธรรมอยู่แล้วต่อมาก็มีเฉพาะพระธรรมบินไงที่เป็นศาสดาแต่คนจะสัมผัสอะไรนั้นมักจะอาศัย ประสาสัมผัสคือได้เห็นได้ยินเนี่ยเป็นหลักตอนความคิดเหล่านี้ต่อมามันก็กลายเป็นการสร้างสถูปบรรจุประลมสาริกธาตุตอนแรกมันก็มีแปดพระนครแล้วต่อมาก็กระจายออกไปเป็นรูปของสั ญ, ญลักษณ์แต่ต่อมามันก็กลายเป็นรูปของพระพุทธปฏิมาแตสรุปแล้วสิ่งเหล่านี้เจดีคือเป็นอนุสรณียะเป็นที่ตั้งแห่งการน้อมรำลึก ไม่ใช่ใจิตอยู่ตรงนั้นแต่ให้จิตเลยไปสู่คุณของพระพุทธเจ้าทีนั้นจิงกลายเป็นสื่อไม่ใช่เป็นตัวแกนเป็นตัวหลักอยู่ในขณะนั้นเพียงแต่เป็นสื่อให้เราน้อมรำลึกถึงคนที่เป็นที่มาของปฏิมาคือตัวแทนเราดังนั้นผลทางใจจริงๆมันเกิดขึ้นที่น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ ได้นำมาสวดสาธยายสันเสริญคุณของพระพุทธเจ้าโดยการเอาพระพุทธคุณก็ไใดข้อหนึ่งมาเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาให้จิตใจส ง, งบอยู่กับบทพุทธคุณเหล่านั้นอยู่ในการยกเอาพระพุทธคุณแต่ละบทขึ้นมาคิดมาพิจารณาให้เห็นจนเกิดเป็นรูปของปิติปสัสสิคือปัสสิธิความส ง, งบใจ มีปีติความเอื้อป่มมันเกิดขึ้นภายในใจจนจิตใจมีความสงบมีความสุขมีสมาธิมีความปราโมทย์มันก็เดินไปอย่างนั้นหิือจีก็จะเดินไปโดยลำดับแต่ว่าอาศัยตัวพุทธคุณเนี่ยเขาเป็นสื่อจนถึงก็น้อมนำเอาพระพุทธคุณเป็นหลักในการปฏธธิบัติของตนเพื่อวิถีชีวิตคนตนรระสมกลมกลืนกับ ค, คุณของพระพุทธเจ้า ตอนนี้ก็เป็นอนุภาพเป็นธรรมานุภาพเป็นพุทธานุภาพแต่อุภาพนั้นที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการดลบันดาลด้วยการประสิทธิ์ประสานพระเจ้าจึงทรงสแสดงว่าถ้าความสำเร็จของคนมาเกิดขึ้นได้โดยการบวงสรวงกอรวงการขอร้องการประสิทธิ์ประานจสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ โลกบางก็อยู่ไม่ได้คือความเพียนพยายามก็ไม่จําเป็นจะต้องมีทีนี้ตีต่างว่าตีต่างว่าเราสามารถจะบ่งสวงอาราธนาขอร้องให้มีการประสิทธิ์ประสานสิ่งต่างๆได้ตามความต้องการถึ่งก็นี้พระเจ้าก็เคยคิดเคยตั้งไว้สมมุติฐานขึ้นว่าสมมุติเราพระองค์เจกะภูเขาให้เป็นทองคํา แล้วก็แตกจ่ายกับชาวบ้านใดแต่บ้านจะอิ่มไหมชาวบ้านจะพอไหมในสุดมก็หาคํำตอบว่าไม่อิ่มไม่พอแล้วในสุดจะแย่งภูเขากันแต่ฆ่ากันตายเดยภูเขาที่เป็นทองนั่นเองเขาจะแย่งจํานวนจะแย่งความสูงความกว้างความยาวความหนาของกองท อ, องเหล่านั้นในในสุดมก็วุ่นกันหมดมันจะได้ไงนคนตายมากยิ่งขึ้นถึงกระเพาะเหล่านี้คล้ายๆกับการขุดทองการขุดแร่ อย่างการไปแย่งแรกกันที่เขาศูนย์เดียวเพยฉว่างมาหลายปีที่แล้วเราจะพบว่ามันก็ตํามองเดียวกันพอเอาก็ามจริงปมาผลกลผลไม่เต็มไม่อีกไม่พอถึงจุดหนึ่งมันก็แย่งกันพอใครเจอแรกมากๆเพื่อนก็แอบไปฆ่าหมกไว้แล้วขุดแร่ซะเองคนหนึ่งรู้ก็แอบมาฆ่าคนนั้นเอาไว้แล้วก็ขุดซะเองคนตายอยู่ในที่นั้นมันก็ไม่วิศวกรสิบขี่ร้อยคนนี่เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่า แม้จะมีการโดนบันดาได้จริงสมมติว่าโดนบรนดาได้จริงโลกจะวิกฤตการแล้วคนจะโดนบรรดาลน่าจะมีปัญหาที่สุดโดนบันดาลในคนหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งมากาดูง่ายๆเพราะแม่ร่ารวยแล้วก็ซื้อของให้ลูกได้ตามที่ลูกต้องการผลุต้าก็จะไม่เป็นที่พอใจของลูกคนหนึ่งเล็กคนหนึ่งใหญ่คนหนึ่งแพงคนหนึ่งถูกคนหนึ่งสวยคนหนึ่งไม่สวย พอแม่จะทุ่มเทงเงินทองลงไปเท่าไหร่ก็ตามมันก็แก้ปัญหาเราดันไม่ได้ก็นี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าการเชื่อถือในแนวนั้นเป็นอาการของโบหะอยุกมากเป็นการดูมินภูมิปัญญาสติปัญญาของตัวเองที่จะใช้ประกอบเหตุเพืเ่อเกิดผลอะไรก็ขออำนาจกันดลบันดาลและจากตัวอย่างในการคิดในการพิจารณาเทียบเคียงโดยใช้เหตุผลสติปัญญาเราจะเห็นว่า พระนั่นจะคุ้มเมื่อคนมีธรรมะทีพรเจ้าทรงแสดงว่าพระธรรมย่มรักษาผู้ประพุติธรรมเหมือนกร่รมใหญ่ที่ป้องกันคนไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกถ้าพระเครื่องเหล่านั้นท่านท่านรักษาได้จริงๆในเมื่อคนไม่มีธรรมะเลยเราก็จะไม่มีข่าวของโจรผู้ร้ายที่ถูกตำรวจยิงตายแล้วก็บนคอมีพระเป็นสิบๆรูป เราแสดงว่าพระไม่ได้คุ้มครองรักษาเพราะว่าเขาไม่ได้รักษาพระและเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมะที่พระสอนเอาไว้แต่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนจะมีหรือไม่มีคือมีก็ได้แต่ไม่ได้มอกหมายความไม่วางใจทั้งหมดให้แก่การดลบันดาลการคุ้มครองรักษาของพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธปฏิมาแต่อยู่ที่ เป็นอนุสติที่จะน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรก็นึกถึงพระที่ขอเอาไว้ตรงนี้พระสอนว่าบาตตรงนี้พระสอนว่าบุญตรงนี้พระบอกว่าทางเสื่อมตรงนี้พระบอกว่าทางเจริญแล้วก็เรเว่นประพฤติประโยชน์ไปตามมันก็ได้ประโยชน์แด้ประโยชน์จากการนับถือแต่เพราะความไม่เข้าใจมันเริ่มต้นมาจากโมหะ เพราะในวงการเรื่องเหล่านี้มันเกี่กลายเป็นรูปของธุรกฐฐิจที่มีการลงทุนกันมหาศาลและก็มีการขายได้ก ำ, ำไรกำไรกันมหาศาลก็ทําให้คนห่างจากพระพุทธเจ้าพมาจริงขึ้นหรือไปติดอยู่แค่พระพุทธปฏิมาเล็กๆซึ่งที่จริงก็เป็นปฏิมาถ้าว่าทําตามวัตถุประสงค์จริงๆก็จะได้ประโยชน์ทีนี้พอถึงเรื่องใบหัวยิ่งไปกันใหญ่ เรจะพบว่าสังคมไทยที่มีปัญหานั้นเพราะเรื่องเหล่านี้มีอิทธิพลอยู่มากเป็นการหลอกให้หลงทางคนไม่ได้ใช่ความคิดไม่ได้ใช่เหตุผลในไมอหวยที่เป็นเลขสามตัวนั้นมันเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าต่อหนึง่งมันไม่ถูกอยู่เพียงประตูดเดียวหรืออย่างมากก็อาจจะส3งสามประตูแต่มีประตูผิดนั้นมากมายไก่กองเรอย ตนคนผิดมันก็มีมากกว่าคนถูกและแม้แต่เรื่องที่บอกว่าพระ อ, องค์นั้นบอกหวยได้บอกหวยได้คือคนเราถ้าใบห้หวยด้วยตัวเองได้แล้วก็คงจะรวยแล้วนะญาติพี่น้องคงจะรวยหมดแล้วทาไมจะต้องลงทุนมาบอกคนอื่นหรือมันผิดปกติธรรมดามากๆแต่เขาเองมันก็เป็นอาจารย์ใบห้หวยอยู่ตอนนั้นเองแต่การที่บอกว่าพระใบห้หวยก็มีลักษณะแนวเดียวกัน มันเป็นอาการของศิริลับตับปรับมากเป็นอาการของความงมงง่ายเพราะการพูดไปพูดมาเนี่พูดไปร้อยครั้งพันครั้งมันก็ถูกคราวนึ่งแหะแต่คนที่ถูกนั้นจะนํามายกย่องเชิดชูคนที่ผิดนั้นจะอับอายปกปิดเอาไว้และบางทีก็โทษตัวเองเพรา่าบหวยพอหวยออกแล้วก็ตีได้ตรงหมดทุกคนนี่ก็คือลักษณะความสับสนในเรื่องนี้ เพปัญหาการมองในแนวของศีลัตพัตปรามาศนั้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ระโสดาบันธันละได้สามัญชนในของละหมดไม่ได้แต่ว่าทำยังไงจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองให้เห็นเหตุเห็นผลในเรื่องเหล่านั้นแล้วพยายามคิดในกระแสหลักตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้วัฏฏากฎเป็นในเพียงผู้บอกให้ ส่วนการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุมรักผลก็ดีทำลายบ่วงแห่งมารก็ดีเอาชนะมารก็ดีแต่เราถึงดับตัญหามานาทิชีอะไรก็ดีเป็นเรื่องที่เธอทั้งหลายจะต้องปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองแต่เช่นว่าการช่วยของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็ช่วยได้แค่บอกส่วนจะรับหรือไม่รับนั้นเป็นเรื่องของค น, น, นเราต่อเทียวกับการรักษาของหมอหมอก็คงจะบอกยาให้สั่งยาให้ แต่บางทีก็ดีหน่อยที่ฉีดยาเข้าไปได้คนขี้เกียจกับประทานยาก็อาจจะฉีดยาเข้าไปได้แต่คงทําได้เท่านั้นเองคื อ, อยังมากกว่าแค่ฉีดยาให้เท่านั้นโรคจะหายหรือปัญหามันก็อยู่ที่ตัวคนป่วยเหล่านั้นจะมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเป็นงใดนันการเพิ่มภูมิปัญญาในการวิเคราะห์ตรวจสอบหรือจะบหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้ก็ต้องจับหลัก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่เป็นหลักเอาไว้อย่าน้อยก็เพื่อไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปแต่ในการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยบางทีที่จริงมันเป็นเรื่องดีคือไม่ใช่ไม่ใช่ถึงกับเรื่องไม่ดีแต่ว่าธรรมะนั้นจะมีลักษณะเหมือนญาณภานะที่เราอิงอาศัยบางครั้งทรงชช้คำว่าธรรมยานบางครั้งทรงใช้คำว่าแพร ในกรณีที่ข้ามแม่น้าสมัยโบราณมันก็ไม่เคยมีเรือแล้วก็ข้ามโดยแพกันพุยว่าพระอทรงอุปมาวรฒมนะนั่นเหมือนกับแพซึ่งเราต้องอาศัยในจุดหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งนี่เราต้องทิ้งเพราะถ้าไม่ทิ้งมันก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เราต้องการไปไกลกว่านั้นเราไม่ต้องการจะอยู่ในจุดนั้นมันก็ต้องทิ้งในจุดหนึ่งอเอาไว้ซึ่งเป็นลักษณะดเดียวกันเรียนหนังสือ เราจะพบว่าเราทิ้งชั้นที่เราเคยเรียนมาตลอดเพื่ออะไรเพื่อจะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไปแลว้วพอขึ้นไปแล้วก็ได้ปัญญาตรีไปแล้วมันก็ทิ้งปัญญาตรีเพื่อไปเรียนปัญญาโทไม่ไปยึดติดอยู่เป็นปัญญาตรีแนวธรมะปฏิบัติันก็มีแนวนั้นพระศีและพระธรรมมาสบางอย่างเนี่ยที่จริงก็ดีนะเพียงแต่ว่ามันเกิดเป็นการยึดมั่นถึกมัน้น พอยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็มีปัญหาตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนการเจริญกรรมาฐานเนี่ยเราเฉียงกันไปภาวนาพุทโธบ้างพุทโธบ้างสมาระหังบ้างยุบเนอฟองเนอบ้างว่ามรนสติบ้างอะไรแต่ไรก็แล้วแต่ในสุดก็เถียงกันพอเฉียงกันว่าในสุดมันจะออกมาแนวที่ทรงใช้คาว่าอิดาไม่ว่าสัจจังโมฆะมันยอย่างนี้ตอนนั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องที่จริงความถูกต้องมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ ตรงนี้มันเป็นมาร์กเป็นถนนเท่านั้นเองความถูกต้องมันอยู่ที่จิตซึ่งส ง, งบนิวรธรรมจึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนี้ซึส ง, งบไปจะถึงกระดับไปนั่นคือตัวความถูกต้องเพราะฉะแต่เรามองหน้าที่ทางมันก็มองไม่ได้ทำรองใล้ๆก็ท่านทั้งหลายมาที่ตึกสวรธรรมนิเวศังนี้คือถ้าถามว่ามาทางไหนเมื่อคนละทางกันเพต้นทางจึงไม่ใช่ตัวกําหนดว่าถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้อง แต่ว่าเมื่อทุกคนมาถึงตึกสวรธ ร, รมนิเวศได้ทุกคนก็ถือว่าถูกต้องตระหนใหญ่มันก็อยู่ที่ว่าเมื่อเรามาทางหนึ่งแล้วเราปฏิเสธทางอื่นตรงนี้ก็กลายเป็นสักกายะนสีรับปตัตปรามากแล้วก็อาจจะนำไปสู่การถกเถียงการการปริบาทกันสิ่งกิเลสมันก็ฟูกขึ้นความพุ้งสร้างมันก็เพิ่มขึ้นการกล่าวคําหยาบมันก็เพิ่มขึ้นความรุนแรงภายในใ จ, จตลอดต้งออกมาทาง อาการทางกายเป็นต้นมันก็เพิ่มขึ้นึจริงๆว่าจริงมันเริ่มมาจากโมหะแต่มันออกเป็นโลภะออกเป็นโทสะคือต้องการจะให้คนอื่น้เห็นอย่างที่เราเห็นแล้วเมื่อคนอื่นคาดค้านเราเกิดโทสะการต้องการให้คนอื่นเห็นอย่างที่เราเห็นมันก็เป็นโลภะเมื่อคนอื่นคาดค้านเราเกิดโทสะก็เป็นโทสะดังนั้นที่มันเริ่มมาจากโมหะพวกนี้จึง เป็นปัญหาในตัวเขาเองแล้วก็พร้อมที่จะดึงปัญหาเข้ามาสู่จิตใจของบุคคลได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆเพราะการมองเห็นโทษของความคิดเหล่านี้แล้วก็ใช้ปัญญาในกรณีที่ใช้ได้และใช้ศรัทธาในกรณีที่กำมังปัญญายังไม่มีมากพอต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป